มันมีสิ่งที่ลบกวนไม่ให้จิตสงบเป็นหนึ่งก็มีอยู่บางคนก็คิดถึงบ้านบางคนก็คิดถึงธุระหน้าที่พอมาเจอการทำสมาธิแบบหนักหน่วงอย่างนี้แล้วจิตใจก็ท้อถอยหมดกำลังการปฏิบัติมันต้องสู้ กิจใจต้องเข้มแข็งต้องมีความอดทนมากเพราะว่านั่งหลายชั่วโมงเดินหลายชั่วโมงแต่ละวันแต่ละวันนี่เราทำได้ต่อไปอีกสามสี่วันขนา้างหน้าเราก็ทำได้เหมือนกันทำไมจะไม่ได้ถ้าเราตั้งใจ กำหนดพุดโทโธพุโทโธไว้ใจเราก็ต้องสงบแม้ผู้เคยปฏิบัติแบบอานาปานสติก็เหมือนกันน่ะใจสงบใจไม่สงบพอเราทำไม่ถูกวิธีไม่เดินตามมักไม่เดินตามความรู้สึกว่าดี ความเหนิดความเหนื่อยความเมื่อยความล้ามิถกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรามาแล้วให้คิดว่าเราถวายพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาได้ผลมากได้อดีสูงมากให้เราคอยกังวลรู้พุทโธพุทโธไว้ในใจตลอดเวลา อาตมาที่บายให้ฟังวันนี้จะที่บายเรื่องความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงสังขารตัวตนนนี้ความไม่ตั้งอยู่ความไม่สงบอยู่ความไม่สบายอยู่ในอารมณ์กรรมฐานก็ให้ตั้งใจอดทนเอาให้ตั้งใจกำหนดพุดโทโธพุโทโธไว้ มันจะเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นสมาธิแล้วสิให้นึกพุโทโธไว้ทีนี้เรามาพูดถึงพุโทโธจิตเราก็สงบแล้วไม่คิดอย่างอื่นไม่เป็นอย่างอื่นใจเรานิ่งแนว่วมีอารมณ์เดียวไม่นึกคิดเรื่องอื่นเลยใจเราตั้งเที่ยงตั้งมั่นมีความสงบเป็นธรรมดา สงบมันก็ไม่สงบในน้อยมันสงบมากสงบจนถึงอัปนาสมาธิลนจิตใจเราถ้าเราให้ใจของเราวุ่นวี่วุ่นวายอยู่มันก็ไปไม่ได้แต่ไม่ให้วุ่นวายก็คือทำให้มากจเจริญให้มากทำให้ดีทำให้เหมาะให้ควร อันนี้จังความไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงรูปขันน้ำขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แก่เท่าเราก็ตายไปมันไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีตายคนไม่ตายหารูสิตามบ้าน บ้านหลังไหนไม่มีคนตายใส่ไม่มีพ่อตายบ้างแม่ตายบ้างลูกตายบ้างหลานเหลนตายบ้างให้เราพิจารณาลูไปว่าสภาพสิ่งทั้งหมดในโลกธาตุอันนี้ไม่เที่ยงสักอย่างเดียวไม่หวันไหวในอารมณ์ต่างๆทำกิจให้สงบนิ่งแนว่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้ ถือว่าเราทำถูกต้องแล้วเราทำได้แล้วเราทำเป็นแล้วเราไม่มีวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้หรอกมันอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนิ่งอยู่พุทโธพุทโธอยู่ใจเราจะสงบมากก็มาพิจารณาให้เห็นธาตุแท้ของสังขารร่างกายอันนี้ รูปนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นไม่เที่ยงแก่ก็ไม่เที่ยงตายก็ไม่เที่ยงแต่ว่าความตายมีแน่นอนแต่มันยังไม่ถึงเวลานี่ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราได้ทําความดีเอาไว้พิจารณาอยู่ตลอดไม่ให้กิจฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นก็ให้พิจารณาลงไปที่กายนี้ กายอันนี้มันมีส่วนผสมเยอะเรียกว่ า, าธาตุธาตุดินธาตุน้ธนำาธาตุลมาธาตุไฟมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ตัวเร า, าธาตุดินก็อยู่ที่ตัวเร า, าธาตุน้ำก็อยู่ที่ตัวเราอันนี้อยู่ที่ตัวเราหมดาธาตุไฟาธาตุลมก็อยู่ที่ตัวเราให้เราลองพิจารณาดูซิ พิจารณารูปขันธ์ น, นี้ให้มันแน่นอนลงไปว่ามันเป็นของไม่เที่ยงยังไงเราก็สังเกตดูสิเราเกิดมาเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวต่อมาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสองปีสามปีก็รู้จักเรื่องนั้นเรื่องนี้ยินเข้าช่วยตัวเองได้เพราะฉะนั้นการที่เราพิจารนากรพิจารณาให้เห็น พี่นาต้องการอะไรพี่นาต้องการปล่อยวางฟังความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่หลงไม่มีสักกายทิฏฐิวิกิกิจษาอันนี้ให้เราพี่นาดูดูแต่เราเกิดมาตอนนี้เราก็อายุมากขึ้นเราก็อยู่ไปจนถึงร้อยปีเราก็ต้องตายแล้ว ถ้าถึงร้อยปีเท่ากับสวรรค์เท่โลกวันหนึ่งคือหนึ่งเท่านั้นเองร้อยปีของมนุษย์นี่ส่วนไหนมันในเที่ยงลองแก้ดูสิขามันก็ไม่เที่ยงนั่งอยู่ไม่อยากให้มันเจ็บมันปวดมันก็เจ็บกับปวดมันเจ็บมันปวดมันไม่สบายนั่น เราเห็นแล้วความไม่เที่ยงอะไนี่ไม่เที่ยงสัวเราปกติแต่พอเป็นนั้นเป็นนี่ขึ้นมาก็มันไม่เที่ยงแล้วมันใกล้ความตายเข้าไปทุกวันทุกคนเดินเข้าไปสู่ความตายมดให้พิจารณาลงไปที่ตัวเรารูปก็ไม่เที่ยง คือถาดทั้งสีนะ่ไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเป็นยังไงคือมันมีการปรุงการแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นทุกข์ก็ได้นะคือมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์อันนี้ภาษาของพระพุทธเจ้า เราอนัตตาเราปฏิบัติจนได้อนัตตาก็รู้เห็นสภาพกายนี้เป็นของไม่ตั้งเที่ยงตั้งมั่นไม่อยู่ในที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อเวลาอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ ว่าสิ่งไหนว่างที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าเป็นของเราแขนอย่างนี้ก็เหมือนกันขาเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ในอํานาจของเราเลยเก็บใครได้ป่วยเป็นนั้นเป็นนี้เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแต่มันก็เป็นของมันมันก็เป็นของมันให้เราแก้ไขใจิตใจที่ยังหลังเลอยู่ อย่าท้อถอยอย่าหุดกำลังใจให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตั้งใจพิณาธาตุขันธ์านีให้เห็นเป็นอนิจังทุกขังอนัตตาไม่มีผู้ใดจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าของเราตลอดร้อยปีตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นอายุเราร้อยปีมันก็ไม่เที่ยงสักอย่างเราก็เห็นชัดอยู่แล้ว ตัวตนของเราเนี่ยลองคิดดูสิมันมันเที่ยงได้ตรงไหนมันเกิดมันแก่มันเก็บมันตายหมดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ให้เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเรียกว่าโอปันลิโกน้อมธรรมะหรือสิ่งที่เราเห็นนั้นเข้ามาไว้ในใจของเราว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่พน้น เราจึงมีการปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกหัดจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวให้คอยรู้คอยเห็นคอยพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็น้อมเข้ามาในใจของเราโอบันนิโกโน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาก็พิจารณาดูตัวของเราสิถ้ายังไม่ตายแข็งแรงอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่พอตายแล้วเอาเนื้อเอาหนังออกหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูก โครงกระดูกที่เขาทําไว้ตามโรงพยาบาลเราจะเห็นนั่นแหละเลือดจากระดูกกระดูกนั้นถ้าถูกฟ้าถูกฝนนานปีไปก็สลายไปก็สลายไปก็แตกดับไปเอาอะไรมาเป็นแกนสานไม่ได้เลยนั่นเอาขาก็ไม่ได้เอาแขนก็ไม่ได้เอาเท้าเอามือก็ไม่ได้ เอามาเป็นที่พึ่งนะพึ่งไม่ได้เราต้องน้อมเข้ามาที่ตัวเราตัวเรามีความเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคอยปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้เห็นชัดในตัวตนตัวตนของเรานี่ให้เห็นชัดให้เห็นจริงแจ้งพระจากขึ้นมาในใจของเราไม่ใช่ท่องได้นะไม่ใช่ท่องได้ท่องได้หมดพระอนุน่ะ ก็ไม่ได้สำเร็จแต่พว่าจะไม่ท่องละพักผ่อนก็เป็นสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงให้ปฏิบัติให้พิจารณาอย่าให้มันสงบเฉยๆถ้ามันสงบแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นตัวเป็นตนน้อมตัวน้อมตนเข้ามาใส่ใจของเราว่ากายนี้ เป็นของไม่เที่ยงกายนี่เป็นทุกกายนี่เป็นนัตตาได้รับหมดคนที่จะไม่รับไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้ว่าคนที่เกิดมาแล้วสองพันปีสามพันปีไม่มีอย่างดีก็ห้าสิบหกสิบหรือเจ็ดสิบแปดสิบไม่เกินนี้ก็ล่วงล้นแล้วตายไปแล้วอยู่ไม่ได้ตายแล้วเขาก็ไปเผาไปฝัง มันเหลืออะไรล่ะพี่ตะโกะงกระดูกเลยทาไปเผากระดูกก็แตกสลายเป็นฝุ่นเป็นผงขึ้นมาเป็นถ่านขึ้นมาเราไปแก้แบบนี้จะแก้ไขยังไงละให้เป็นตัวต้นกลับขึ้นมาอย่างเก่ามันไม่ได้หรอกมันก็เหลือแต่กระดูกให้เห็นกระดูกคนธรรมดาก็ เ, าเป็นก้อนเป็นส่วนอยู่ ให้ให้เห็นอยู่ให้รู้อยู่นี่แหละมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นน่าตาอย่างนี้คือมันต้องเกิดขึ้นมันต้องแก่ไปและมันก็ต้องตายไปในที่สุดเราเพิจานรณาดูสี่ตัวเรานี่ร้อยปีจะถึงไหมแล้วก็ดูไปอีกว่าเราจะตายวันไหน ไม่รู้เลยไม่รู้จะตายวัดไหนนะนี่จะบอกมันไม่เที่ยงให้พี่นาอยู่งี้เลยบ่อยๆให้พีรนามาเห็นตโคงก็ดูร่างกายของเราเปื่อยเน่า ผ, ผุพังลงไปไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอาได้ว่านี่เป็นเรานี่เป็นของของเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่แต่ในที่สุดก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นความว่างเปล่าไป นี่แหละให้พากันปฏิบัติให้เร่งกความภาคความเพียรให้เห็นธาตุทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตาตาอยู่ที่ตัวของเราทุกคนให้เห็นความจริงของชีวิตว่าเราเกิดมานี้ไม่ทรงอยู่ถึงพันปีอย่างดีก็ร้อยปี ห้าสิบหกสิบมันก็ไปแล้วกลับบ้านเดิมแล้วคนเกิดมาเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจให้รู้ให้เห็นให้เห็นเห็นในใจเห็นเป็นธรรมคืออนุสติความไม่ ดีไม่งามเราอย่าเอาเอาแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธให้อยู่ในพุโทโธมันจะวิ่งไปหาอาณาพาสสิก็อย่าไปใส่ใจมันเรานึกภูตโธของเราอยู่ถ้าเรากินสงบแล้วจะเห็นชัดนะเห็นใตรักนี่ชัดเจนนะมันเห็นชัดเจนมากเห็นตัวตนชัดเจนมาก ถ้าทำให้เป็นเราก็พยาพยามทาพยายามทาให้มันเป็นคือมันหนีความตั้งใจของเราไม่ได้หรอกเข้าควอดนี่มันยังไม่เต็มควอดหลังมีขึ้นมาอีกมาอีกถ่าไม่ติดธุระอย่างอื่นก็มาฝึกสมาธิแล้วก็มาฝึกวิกปัสสนาที่การมาพิจารณาสังขารร่างกายตัวตนของเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตา ให้เห็นชัดลงไปไม่เห็นตอนนี้ก็ต้องเห็นต่อไปถ้าเราฝึกหัดอยู่เราปฏิบัติอยู่มันย่อมรู้ย่อมเห็นความจริงชัดเจนขึ้นมาจนปล่อยวางได้ไม่กลับไปเกิดไปแก่ไปเก็บไปไตายอีกพ้นทุกทีเดียวแลยไปอย่างนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านแยกเป็นหรือยัง แยกเนื้อแยกหนังแยกกระดูกเป็นคนส่วนละส่วนหรือยังเอากีตที่สงบไปพิจารณาพิลาเห็นว่าตัวเรานี้มันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติติดต่อกันไปไม่ตตถอยไม่ให้หยุดในการขันให้ตั้งหน้าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ จึงจะไปสวรรค์ได้จึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องรักษาต้องทำความภาคความเพียรไม่ใช่ว่ามาฝึกอยู่ที่วัดจึงทำสมาธิแต่อยู่บ้านไม่ทำอย่างนี้ไม่ถูกเรานึกพูดโทใครจะมารู้ว่าเรานึกผิดหรือนึกถูกหรือนึกอย่างไรอยู่ เขาไม่รู้ใจเราเรารู้ใจเขาไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายานปัญญายังไม่เก่กล้าเออก็ยังไม่เห็นก็ต้องทําไปเรื่อยหลายครั้งหลายหนเข้ามันก็จะดีไปเองมันจะตั้งเที่ยงตั้งมั่นเองแต่การพิจนามันไม่ไปก็เพราะเรายังไม่ชำนาญสมาธิเรามีความสงบไม่เพียงพอ มีความสงบไม่มากถ้าถึงอ ป, ปนาสมาธิแล้วนะพิจารณาสิ่งไหนสิ่งนั้นเห็นชัดหมดเลยเราก็เห็นชัดในอัตภาพตัว ต, วตวนนี่เห็นชัดมากจนวางความยึดถือวางความยึดถืออัตมาภาวนาอยู่ที่กุติชยะเป็นกุติหลังแรกของวัด อัตมาพักอยู่ที่นั่นปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นกลางคืนนั่งสมาธิาตีสี่อาตมาตื่นเลวตื่นก็ไม่ไปทาอย่างอื่นเข้าสมาธิเลยพอนั่งสมาธิอยู่ประมาณทั้งไปถึงสิบนาทีร่างกายนี้ก็กระโดดย้อยออกไปจากกายนี้ไปตั้งอยู่ข้างหน้าเราเขาแรกก็รู้สึกว่า ต, ตกใจนิดหน่อยอนี่มานอะไรที ทำใจให้สบายแล้วก็พี่นาดูโอ้มันเทศให้เราฟังเออมันมันเห็นแต่โครงกระดูกย่อยยับลงไปเป็นขี้เท่าขี้ฐานเนี่ป่านั้นนะเห็นชัดลงไปเลยพอปฏิบัติทาต่อมาต่อมาก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าเราอย่าตื่นเต้นตกใจเวลาอะไรเกิดขึ้นเราจะส่งใจตามคอยรู้อยู่เฉย เราจะสามารถปล่อยวางได้สามารถละความฟุ้งซ่านได้ให้จิตสงบเป็นหนึ่งได้ถ้าเราพิจนารณาเมื่อเราพิจารณาก็ไม่ได้พิจารณาอย่างอื่นหรอกพิจารณาความม่เที่ยงในตัวตนเท่านั้นแหละเราเห็นชัดไหมในตัวของเราเห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาไหมเห็นอาจเห็นธรรมไหมธรรมะมันก็มีอยู่ ผู้สอนธรรมะปริญิพผานไปแล้วก็จริงแต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่คําสอนของพระ อ, องค์ยังอยู่เราปฏิบัติตามคําสอนที่พระ อ, องค์ทรงแสดงไว้เราก็สามารถพ้นทุกได้เหมือนกันธรรมะเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาเวลาไหนก็ได้เช้าสายว่ายเยน็นเห็นชัดเห็นจริง ยนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ในที่สุดก็สบายเลยอั น, นเราพิจารณานะถ้าไม่พิจารณามันมันก็เห็นให้เราเราทำให้เห็นสองสามครั้งในวันจานทะรมันได้เห็นเห้นโครงกระดูกเห็นร่างกระดูกเราก็เปื่อยเนาต่อหน้าเราเส้งเนื้อหนังอะไรต่างๆถ้าเราสติไม่ดีตกใจเลย ตกใจกล่าเสียสมาธิเสียความตั้งใจไปหมดทุกอย่างถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วเราก็นิ่งไว่พิจารณาว่าโอ้ตัวตวนนี้มันแสดงถึงความจริงให้ฟังออกระดูกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเนื้อหนังก็เป็นส่วนหนึ่ง ลมหายใจเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งเหานี้มันเป็นส่วนเป็นส่วนของมันอยู่ถ้าเราไม่แยกไม่แยกธาตุแยกคณะนี้ออกไปเราจะเข้าใจอัตธรรมสูงส่งได้ไหมก็ไม่ได้จะให้มีมากมีผลเกิดขึ้นเราทําได้ไหมทําได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติมักผลไม่พ้นสมัย ท่านว่าไว้มรรคผลเนี่ไม่ผลสมัยมันเกิดขึ้นได้มันเป็นอากาลิโกนันเองละ่ะให้พิจารณาลงไปให้เห็นชัดลงไปในตัวตว น, นนี้อย่าหวั่นไหวอย่าตื่นเต้นในขณะจิตเราสงบอย่าตกใจให้คอยรู้อยู่งั้นแหละเราปวดแข้งปวดขามันก็เป็นธรรมดาเพราะเรามีแข้งมีขา งูมันไม่เคยปวดขามันขึ้นต้นไม้ก็ได้ไปตามดินก็ได้ขามันไม่มีมันก็ไม่มีปวดขาแต่อันนี้เรามันมีแข้งมีขามันก็ต้องปวดขามันต้องเจ็บต้องปวดมันเหนื่อยมันเมื่อยมันเป็นนั่นเป็นนี่ขอให้เราตั้งใจพิจารณาอย่าท้อถอยอย่ากลัว ในการธิกิจจะสงบใหญ่เราไม่เคยหัดพิจารณาจะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้จจเอววิปัสนาอย่างเดียวหมดเลยก็ไม่ได้เพราะสมถะและวิปัสนานีมันเป็นบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้ามีมาตั้งแต่สมัยพระ อ, องค์ทรงพระชนอยู่ท่านแสดงไว้แสดงกันแรกก็เรื่องธรรมจากแสดงกันที่สองคืออนัตตลักณสูตร ก็คือพิจารกายนี้ให้พิจารณาลงไปว่ากายนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นให้พิจารณาให้ละเอียดอย่างนี้เราได้สมถะแล้วเอาสมถะมาพิจารณาพิจารกก็เห็นชัดเห็นชัดก็ปล่อยวางได้ถ้าเห็นไม่ชัดก็ปล่อยวางไม่ได้แต่เห็นชัดก็ถึงพระอรหันต์เลยปล่อยวางได้หมดส่วนพวกเราก็ เม่จะไม่ถึงป่านนั้นขอให้จิตของเราสงบก็ดีแล้วเราสามารถทำวิปัสนาคือตัวตนของเรานี่เห็นว่ามันแตกสลายอย่างนี้เราก็สามารถทำได้อันนี้ก็เป็นความดีของเราอันหนึง่งทั้งสมถาวิปัสนามันไปด้วยกันจิตถ้าไม่สงบก็ไม่สามารถเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้ต้องให้จิตสงบสามวันที่เราฝึกมานี่ จินเราสงบวันแรกก็ยังไม่สงบวันที่สองที่สามมาโอ้โหจิตใจเราสงบเย็นสบายอ่ามันเป็นอย่างนั้นคอยพิจนารณาดูธรรมะแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่งตั้งไว้ เป็นครูเป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าของเราประเสริฐมีปัญญามากสร้างสมบรรมีมานานจึงได้ตัดสริรูเป็นพรพุทธเจ้าสร้างความดีมานานเราก็เอาคำพุทธโทพุทธโทมาใช้หลวงปู่มั่นก็ภาวนาพุทธโธหลวงปู่เทศก็ภาวนาพุทโธ หลวงพ่อวิริยังก็ภาวนาพุโทโธแม้ที่นี่เราก็สอนภาวนาพุโทโธเมื่อก่อนสอนว่าให้กําหนดลมเมื่อเห็นลมแล้วก็ไปดูสิพิจารณาดูจะทํายังไงถ้าเห็นลมเห็นพุโทโธพุธโทโธอยู่เราก็คอยดูหาว่าผู้ที่ไปเห็นพุโทโธนั้นคือใคร อะไรเป็นผู้ไปเห็นเห็นได้ยังไงนี่มันชัดขึ้นมาในใจของเราผู้ไปเห็นพุโทโธคือใครใครเป็นผู้ไปเห็นพุโทโธใครเป็นผู้ไปทำให้มันเกิดมันมีขึ้นให้เห็นพุโทโธชัดขึ้นพุโทโธ พระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพุโทโธหรือสัมมาสัมพุโทโธไม่ใช่ธรรมดาสร้างบว ร, รมีมานานอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ตั้งแต่ได้รับพยากรมาจากพระพุทธเจ้าทรงพระนามวัทีปังก่อนจากนั้นพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญความดีความงามตลอดเสียสงไข่กับแสนมหากับจึงได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าหรือสัมมาสัมพุโทโธ พุทโธก็คือความดีของพระพุทธเจ้าเป็นคุณความดีของพระพุทธเจ้าเราจะพิจารณาอย่างนี้ก็ได้เราพิจารณาอย่างที่ว่าโอ้ยอยพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่สร้างบารีมานานเนาะเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าสุดท้ายภายหลังอย่างนี้เราก็จะต้องคอยดูฝึกหัดหลวงปู่มัน่นท่านสอนสอนพุทโธเนี่ย พระปฏิบัติตามก็เข้าใจพุโทโธอย่างดีเอาพระที่เจ้าสั่งสมความดีความงามไว้ให้หมดแล้วพวกเราเพียงแต่ตั้งใจทำความดีความงามนี่สักสี่ห้าหกวันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยเราก็จะเห็นใจของเราว่าใจเรามีธรรมะไม่ทำชั่วไม่ทำผิดไม่ทำสิ่งที่เป็นบาป ตจเราจะสอนเราจะทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นบาปมันสอนเลยอย่าทำสิ่งนี้เสียงก็เกิดขึ้นอย่าทำสิ่งนี้นะมันเปลี่ยนอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ทำต้องยุดให้ทำสิ่งนี้เราก็ทำสิ่งนี้ให้ดีให้จิตของเราปล่อยวางได้ความต้องการอย่างนี้คือทำยังไงใจเราจะปล่อยวางได้ อวิปัชนาเป็นเหตุให้ปล่อยวางได้สมถะเป็นตัวหนุนถ้า ม, มีสมถะกําลังไม่พอเพราะฉันต้องหัดสมถะก่อนเมื่อหัดสมถะให้ดีแล้วก็เอานั่นแหละไปพิจารณาไปพิจารณากายพิจารณาธาตุขันธ์ น, นี้พระมหาไับูลก็เทศและให้ฟังแล้วเืินที่แล้วนี่โอ้โหชัดเจนมาก อัตมาก็เทศได้แต่ว่าฟังที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาไว้มันละเอียดแล้วออมันลุบนวลมันดีที่สุดพูดง่าย ไ, ไม่มีอะไรดีเท่าจิตใจนี่สบายเป็นสุขสงบเยือกเย็นมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงจิตเนี่ยไม่มีตัวมีตนหรอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่มีตัวไม่มีตนวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละมันไม่มีตัวไม่มีตนเราทำในถึงจะได้มันเราก็ต้องมากาหนดบริกรรมจิตมันก็จะสงบขึ้นมันก็จะสบายขึ้นมันก็ปลอดโปรง่งพองใสขึ้นมาในใจของเรา ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่หลงไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผิดสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยิบเจ็ดไม่ทำตามคำที่พุทธเจ้าทรงสอนมันจะพ้นทุกได้ยังไงมันพ้นทุกไม่ได้เราต้องทำตามคำที่พุทธเจ้าทรงสอนที่พพุทธเจ้าทรงสอนแล้วมีอะไรบ้างบันทึกเป็นภาษาไทยเราได้เก้าสิบเล่ม พระพุทธเจ้าว่าคําก็ดีวินัยก็ดีที่เราบัญญัติไว้จกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายนั่นเราปฏิบัติเราเอาธมมารรมะคําสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติมหาหัดใจของเราที่มันไม่สงบให้มันสงบอย่างเนี้ยมันก็ใช้ได้แล้วนะเราก็เอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วมันก็ใช้ได้มันก็ดีถ้าเราไม่ ตั้งใจปฏิบัติจริงๆนั่นมันไม่ได้หรอกพอ เ, เราทํานี่ก็ชั่วสามวันนี่อยากหนีกลับบ้านเลยเพราะมันเหน็ดเหนื่อยแต่พอผ่านวันนี้ไปใจก็สบายขาแขนมันไม่เหนื่อยไม่เมื่อยอีกเลยมันดูได้ให้ปฏิบัติให้ทําความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างของเรา เราให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพุทธโธพุทธโธคือคุณพระพุทธเจ้ามีอยู่ในใจของทุกคนทำใดวิในใดคำสั่งสอนใดที่สอนไว้ที่เทศนาไว้บันทึกลงในหนังสือได้เก้าสิบเเล่มในตู้พระไตรปิฎกต้องอ่านต้องทำความเข้าใจต้องเรียนรู้อันนี้เรียกว่าผู้ต้องการศึกษาส่วนผู้ไม่ต้องการศึกษา ต้องหัดสมาธินั่งสมาธินอนสมาธิเดินจงกรมเป็นสมาธิเดินไปเดินมาจิตใจของเราอยู่กับพุโทโธอยู่เรื่อยๆอยู่กับพุโทโธตลอดไปใจเราจะสงบเย็นมีความสุขความสงัดมีความดีเด่นอยู่ภายในใจเราไม่เป็นไปในทางอื่นเราเห็นชัดในตัวตนของเราว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วเราจะไปยึดเอาอะไรมาเป็นตัวเป็นตนอีก พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราเป็นของเขาเพราะว่าเราทำไมถึงได้มาเกิดบ่อยเพราะเพราะว่าบามีของเรายังสร้างไม่พอมันก็บรรลุไม่ได้แต่ถ้าสร้างบามีคือฝึกหัดปฏิบัตินี่ให้จิตสงบเป็นดึงนี่อันนี้เราสามารถแก้ไขได้แก้ไขตัวตนครอบได้ถ้าเราหัดปฏิบัติ ตามคําสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเอามากเอาอันเดียวก็พอเอาอันเดียวก็ดีแล้วเอาอันนั้นแล้วมานึกมาคิดมาตั้งสติไว้อยู่ถ้ามันสงบแล้วเราต้องดูอีกใครเป็นผู้ไปเห็นความสงบใครเป็นผู้ เ, เห็นแย้งเห็นจริงเห็นอริยสัจสี่ชัดเจนในใจใครเป็นผู้เป็นอย่างนั้นหาผู้นั้นแหละ หาผู้นั้นแหละวางพุทธโธไว้ก่อนแต่หาผู้เป็นพุทโธเน่ยหาคําว่าพุทโธ่ะใครมากําหนดพุทโธพุทโธอยู่ใครอะไรเป็นเหตุให้ทําอย่างนั้นนี่เราก็ต้องพิจารณาเขาว่าใครเป็นผู้ไปเห็นพุทโธใครเป็นผู้ไปว่าพุทโธหาตัวนี้อีกทีหนึ่งใจเราก็จะหล่นตุ๊บไปเลยวางความยึดถือได้เลย จใจเราสบายอะไรแบนี้นั่นแหละแต่จะให้เป็นอย่างนั้นอีกก็ให้เป็นมันก็ภาวนาก็สูงขึ้นมันก็ค่อยเป็นไปตามเรื่องในสุดเราก็ละวางได้ธาตุขันธอัน น, นี้ก็เป็นของว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนไม่มีอะไรจะเข้าไปยึดถือเอาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆทั้งสิน้นนี่แหละให้พิจารณาลงไปอย่าทิ้งพิจารณาลงไปในกายเรานี่แหละ มันยึดถือเพราะอะไรมันไม่ยึดถือเพราะอะไรมันยึดถือก็เพราะไม่เข้าใจไม่รู้จักไม่รู้จะทํอยังไงมันก็ยึดถือไปตามโลกตายแล้วก็เกิดอีกตายแล้วก็เกิดอีกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้การที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนว่ามันยากมันไม่ยาก ขอให้เรามีศรัทธาขอให้เรามีปัญญาปัญญาธรรมดาเล่านี้ก็ได้ปัญญาโลกรุตระก็ได้ถ้าปัญญาโลกรุตระเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางมดมายึดถือออกมาได้ปล่อยวางปล่อยความยึดความถือทั้งหมดเหลือแต่ใจของเราที่เป็นหนึ่งอยู่นี่แหละให้คอยเฝ้าดูอย่างนี้ เราจะเห็นชัดขึ้นมาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถึงเล่าให้กันฟังเล่าได้แต่พอปฏิบัติเราเห็นได้ด้วยตัวเองไม่ต้องถามใครอีกเลยเพราะเราถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องฝึกหัดเป็นประจำหาโอกาสทำเป็นประจำเราอยู่โตทำงานเราก็สามารถกำหนดพูดโทได้สามารถพิจารณากายนี้ได้ นั่นมันเป็นอย่างนี้แหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้ตั้งเที่ยงตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวแล้วพิจารณาให้เห็นชัดพิจารณาที่ไหนพิจารณาที่กายของเรากายของเราเป็นอย่างนี้ประกอบด้วยธาตุอะไรประกอบด้วยธาตุสีเห็นอริยสัจได้อย่างไรเพราะว่าปฏิบัติจิตสงบแล้ว ก็เห็นอริยสัจชัดเจนปล่อยวางได้ไม่กลับมาทุกข์ในวัตา น, นี้อีกถึงความสุขความสงบความเจริญเย็นใจทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขกายสบายใจทุกคน